ตัวจอกนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนเัิเรื่องจิตวิญญาณคือพลังที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยพระท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่30ตุลาคม2543ที่พุทธสถานปฐมสกขขอเชิญท่านจิตาทฝั่งได้เนาะบัตรนี้ โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสชัดเจนในชีวิตเนี่ยมันเกิดมาก็คือกรรมเป็นตัวหลักหมดกรรมก็คือการงานหรือการกระทำของมนุษย์เมื่อการกระทำของมนุษย์เนี่ยออกไปกายกรรมวิมจีกรรมมโนกรรมออกมาโดยเฉพาะออกมาเป็นกายกรรมมันก็จะออกมาเป็นบทบาทเมื่อไปสัมผัสสัมพันธ์ไปเกี่ยวข้องไปกรอบกรอไปเป็นอะไรออกมามันก็เป็นงาน เป็นงานจากการกระทำก็มาเป็นงานจากงานก็เกิดมีอะไรเกิดตามมาก็เรียกว่าเป็นผลจากการงานผลจากการงานก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้สองด้านเป็นด้านเกิดกับด้านตายหรือด้านเจริญกับด้านทำลายก็เป็นได้สองอย่างเหมือนกัน นะเพราะงั้นกรรมกิริยานี่ทําได้สองอย่างกรรมกิริยาทําได้เกิดและตายหรือเจริญกับทําลายนะทําได้สองอย่างเหมือนกันเพราะงั้นชีวิตก็คือสองอย่างนี่แหละชีวิตมนุษย์ก็คือสองอย่างนี่แหละแม้ที่จุดสที่สุดความเป็นชีวิตของมันเองโดยธรรมชาติก็เกิด กับตายถ้าเริ่มต้นจติมาก็คือเกิดปฏิสนธิมาก็คือเกิดสุดท้ายถ้าเผื่อว่ายังจะต้องมีจติอยู่ก็เรียกว่าตายตายแค่ที่ยังไม่สูญสิ้นตายยังไม่ถึงปรินิพานก็ตายก็เคลื่อนเป็นจุติไปเรื่อยจุติจากตรงนี้ไปเป็นตรงโ น, น้นตายจากตรงนี้ไปเป็นตรงโน้นนั่นเองจุติคือตายบางทีก็ก็ว่าจติแปลว่าเกิด บางเจ้าจติแปลว่าเกิดแต่จริงๆจุติมันแปลว่าตายแปลว่าเคลื่อนจริงความจริงมันแปลว่าเคลื่อนมันเคลื่อนจากกนนีไปเป็นอันนั้นถ้ายังมีความเคลื่อนอยู่เรียกว่ายังมีจุติ <c oughs> ยังไม่ปรินิพพานยังมีจุติไม่ว่าอะไรทัทง้ท ง, ทงนั้นในสังสารวัตนี้ถ้ายังไม่มีนิพพานยังมีจุติ เราก็มีกรรมหรือมีการงานของเราเป็นประจำวันนี้ก็มีงานจรหรือกรรมจรมีงานจรก็มีงานศพงานศพก็คืองานตายคนนั้นเกิดแล้วก็ตายก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติตายแล้วก็จัดการไปตามประเพณีตามที่ควรจะเป็น บางคนก็ให้ย่อยสลายโดวยวิธีฝังฝังแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่กับดินนั่นแหละหรือไม่บางเจ้าบางรัติบางติกายบางเผ่าเขาไม่ฝังเขาเอาเป็นดอยไว้มันบนทุ่งที่สูงสูงเราคงจะเคยได้ดูโทรทัศน์มัมีบางเผ่าศพคนตายนีเข า, เาใส่โลงแล้วก็เอาไปห้อยไว้ในถ้ำสูงเต็มไม่หมด ให้มันเน่าสลายตัวไปอย่างนั้นน่ะบางรัฐทนี่ก็เอาไปโยนให้อีแรงกินเลยก็ยืนดูแรงมันลงกินศพของญาติญาตตายไปจนหมดสิ้นไปก็แล้วแต่ใครจะมีความคิดว่าควรจะทำอะไรสรุปแล้วก็คือก็มันก็จะต้องสลายสิ่งที่เป็นศพไปแล้วก็จะต้องสลายไปโดยรัฐที่ไหนก็แล้วแต่ส่วนรัฐทพุทธนั้นเผา เผ า, าซึ่งอาตมาเห็นว่าเผาเนี่ยเป็นเรื่องดีที่สุดไม่ใช่ว่าอาตมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วก็เลยหลงตามก็ไม่ใช่แต่ว่าเห็นด้วยเหตุผลด้วยหลักฐานความจริงเมื่อเผาแล้วมันก็เป็นขีดเท่าแปลตัวสลายสภาพไปเร็วและไม่เสียหาย ไม่เน่าไม่เม้ น, ไ ม, มนไม่ก่อพิษไปก่อภัยไม่ก่ออะไรมันก็กลายเป็นธาตุไปเป็นด่างไปเป็นคิดเท่าก็เป็นธาตุธาตุอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นธาตุลงไปอย่างเร็วเผานี่ก็เร็วอย่างเร็วเดียวๆส่วนสลายระเหยไปแปลตัวไปเป็นธาตุน้ําดินลมไฟแล้วก็แปลตัวพึบไปก็เปลี่ยนเรียบร้อย น, นั่นก็หนึ่ง นั่นหมายความว่าจัดการกับวัตถุธรรมหรือรูปธรรมส่วนในทางด้านนามธรรมาก็ดีอีกทางด้านนามธรรมาก็ไม่เกิดการมีอะไรที่จะกลายเป็นห่วงหาอาวอนไม่เป็นเชือ้อไม่เป็นวัตถุธรรมที่มันก่อความสนจุดใจก่อสัมผัสก่อจุดที่จะยังไม่รู้จักจบเพราะงั้นเมื่อเผาแล้วเหลือเศษ ธุลีขี้เท่าอะไรก็เอาไปกระจายก็นิยมกันเอาไปล่องน้ำขีดเท่าเธอถือว่าอังคารอะไรนิเศษเหลือของที่เผาแล้วก็นิยมกันเอาไปล่องไปโรยในในแม่น้ำพอโรยในแม่น้ำแล้วมันก็เคลื่อนจะโปรยไปอากาศมันก็ไม่หายไปใช่ไหมมันก็ยังมันมันก็รกาก อ, อยู่ตรงนี้อีกมามันก็อยู่ตรงนี้ พราะเพรารยน้ําแล้วมันก็ไหลไปที่นี่มันก็เหมือนกับเราเปลี่ยนสภาพที่ให้มันสลายไปจากความยึดติดเพราะฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องก็เอาไปโปรยลงไปในน้ําแล้วมันก็ไปกันน้าแล้วก็เป็นความเข้าใจโดยสามมันเออมันก็ละลายแล้วมันก็จะพาไหลไปไหนมันไม่รู้แล้วมันแยกส่วนมันไม่เกาะกลุ่มไม่ไม่เกาะกลุ่มมันไม่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งมันไม่ทําอะไรให้ผู้ที่เป็นผู้ผูก ยังมีความอะไรอาวรณ์ติดยึดอะไรกันอยู่เนี่ยไม่มีจุดไปเกาะไม่มีจุดไปติดนี่เป็นจุดสำคัญของศาสนาพุทธคือสุดท้ายไม่ติดไม่ยึดไม่เกาะไม่เหลือปล่อยให้ขาดจากให้หายอะไรอย่างนี้เป็นต้น เพราะลักษณะที่สมบูรณ์อย่างนี้แม้แต่ด้านนามธรรมา ท, ที่อาตมาอธิบายนี้คือเรื่องของวัตถุแต่ว่ามันเกี่ยวข้องไปถึงนามธรรมเพราะแม้แต่ด้านนามธรรมาก็พยายามทําอย่างนี้เผาแล้วก็เอาไปลอยอังคายไปลอยนอนั้นก็ไม่ควรจะเลือดเศษอะไรไว้บางคนจะกุ้ษาเก็บนะเนี่ยมีทุกวันนี้ก็ยังมีบางคนขอกระดูกที่เหลือบ้างเอาไปใส่โกรธไว้อีก เราก็พยายาม อ, อธิบายแต่บางคนไม่ค่อยเข้าใจก็ยังอยากติดอยากยึดอยู่ต่อก็เอาไปติดไปยึดต่อเอากระดูกที่เหลือไปแล้วก็บอกเราเผาให้ป่นเลยนะเนี่ยเผาให้เป็นคิดเท่าสลายแม้แต่กระดูกก็หม่ไปจับแล้วแบบนี้พืชมันอาจจะโครงสร้างมันอาจจะกอกกันอยู่นิดหน่อยแต่นิดเดียวคล้ายๆกันจะเป็นหมดแมันก็จะเป็นแป้งเป็นผงไปเลยนะสลายง่ายเราเผาให้เกลี้ยงเผาให้เนี่ย บางคนก็บอ ก, อ ย, กอยากเกลี้ยงเลยขอกระดูกหน่อยเราก็เก็บเร็วขึ้นหน่อยหนึ่งให้เหลือบ้างก็เอา้าก็ไม่รู้ทําไงมันไปหักคนก็พูดก่อนจะเอาเลยคนไหนเขเข้าใจเขบอกเออไม่เอาอะปล่อยไปเลยเหลือเศษก็เอาไปสลายไปโรยตามแม่น้ำํำก็หมดไปสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ ของผู้รู้ที่จะพานํำทำก็ไม่ว่าจะรู้ขนาดไหนเขาก็ไปติดไปยึดอย่างไรเขก็ทํากันไปอย่างที่อัตมาพูดไาใ้ฟังตน้ตนๆบางเผ่าบางคณะบางมนุษย์บางกลุ่มก็มีลัทธิอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างที่เล่าไปแล้วเขาก็เข้าใจว่ามันมีมุมดีอะไรก็เข้าไปตามเรื่องนะตามที่เขามีภูมิปัญญ า, ามันดีกว่าแม้แต่ในสภาพที่บอกว่าเอาไปโยนให้แรงกินเลยเนี่ย ให้ไปโยน์ทิ้งเอาไว้ที่จริงก็มันยังก่อนจะแรงกินมันจะมีสัตว์พวกกินเนื้อเนี่ยพวกหมาป่าพวกอะไรพวกนี้มันก็จะมันกินเหมือนกันก่อนแต่ส่วนมากก็จะไม่ทันจะแรงแรงมันเร็วเพราะว่าถิ่นที่มันเป็นจริงๆแล้วมันจะรู้เลยตัวจัตยานรู้ว่าอ๋อตรงนี้แหละคนชอบเอาไอ้นี่มาทิ้งแล้วมันก็จะคอยกันมันก็จะมันก็รู้กันนะเพราะงั้น แรงมันจะเร็วกว่าม า, มาป่าอะไรพวกนี้เพราะมันเห็นเร็วพวกนี้ตาไวได้กลิ่นเร็วอยู่ที่สูงมองพรัเห็นก่อนไอ้อยู่ที่ต่ำนี่ไม่เห็นเร็วหรอกเห็นช้ามันมีอะไรบงังมันมองไปไม่ไกลแต่อยู่ข้างบนเนี่ยโอ้โหมองมาเนี่ย b i r s eye view b i r s eye view เรียกว่า b i r s eyes b i r s t b r s eye view เห็นเลยเร็วมันก็มาไว เออแรงมันจะลงมาเร็วกว่าแม้แต่ศพที่เอาไปทิ้งให้โยแรงกินเนี่ยเขาก็เห็นมองมันในแง่ดีนี่ก็เป็นความเข้าใจของคนนะถ้าเป็นพวกเราเนี่ยคงทําใจไม่ได้นะเอาศพพ่อศพแม่ไปโยนให้แรงทึงอยู่ต่อหน้าต่อตาคงทนไม่ได้อย่างนี้มันก็ความเชื่อหรือว่าความเข้าใจมันคนละอย่างคนละสภาพเห็น ไ, ไหมแล้วแต่ว่าจะเห็นมองแง่ดีอย่างนั้นเขาก็เข้าใจวันดี นี่ก็เล่าแสกให้ฟังบ้างว่ามันเป็นไปตามความเข้าใจของปัญญาของความคิดนึกแล้วก็ยึดติดกันเป็นจารีตประเพณีแล้วก็ทํากันมามันมีมุมดีได้มุมเสียได้นะอะไรก็แล้วแต่อัตมาก็ว่าไอ้ที่ขาไม่ให้แรงกินมีมุมดีลึกๆเขามีอะไรอัตมาก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันก็ไม่รู้จะเดาไปว่างไงนะก็ที่ว่ามีมุมดีบ้างในส่วนที่ก็มองเห็นว่าดีนะส่วนของพูดนั้นอัตมาเข้าใจชัดอย่างที่เล่าไปให้ฟังบ้างแล้วก็คร่าว ว่างานศพก็ทําไปสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในสังสารวัตนี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละมันก็จะเกิดกรรมกิริยาบทบาทาตั้งแต่มันเป็นธรรมชาติของดินน้ำลมไฟเกาะตัวมีพลังงานพลังงานทางฟิสิกส์แล้วก็จัดแจงสภาพของมันไปมีฤทธิ์มีแรงตามสารตามธาตาุซึ่งเราก็มาเรียนเป็นทางวิทยาศาสตร์เรียกสารธาตุเคมีมันก็ไปอย่างนั้นแหะ จนกระทั่เป็นพลังงานนามมาทำเป็นลพลังงานชีวะพลังงานจิตปัญญามันก็มีประสิทธิภาพของพลังงานทางจิตปัญญาอีกมากมายและมาเกิดเป็นชีวะมาเป็นมนุษย์มันเป็นสัตว์โลกเรื่องอะรเดรานมาจนกระทั่งมาเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้ยิ่งซับซ้อนมากมายเลยพลังงานนี้มีทั้งความรู้สึกมีทั้งทุกข์ทั้งสุข มีทั้ง้ายทั้งดีสารพัดเลยพลังงานพวกนี้ถ้าไม่เกิดความรับรู้มีตัวรู้มีเวทนาสัญญาสังขารซึ่งเรียกว่าวิญญาณเนี่ยเป็นเจตสิกในวิญญาณมันก็เลยยิ่งโง่โหมีอะไรสารพัดสารเพสที่เป็นบทบาทของพลังงานตัวนี้กลายมาเป็นสิ่งที่เป็นพลังงานที่เก่งที่สุดในมหาจักวานนี้คือพลังงานทางจิตวิญญาณเนี่ย มันสามารถที่จะทำลายโลกทั้งโลกก็ได้มันจะเคลื่อนย้ายโลกก็ได้ลูกโลกมันยังขยายมันจะเคลื่อนย้ายก็ได้เลยจริงๆแลวมันก็ทำอยู่แต่ไม่รู้ตัวที่จริงนนเนี่ยคนนี่ยทำให้ลูกโลกลูกนี้นแปลเปลี่ยนทิศ ท, ทางแปลเปลี่ยนเส้นโคโจรและให้เคลื่อนให้ย้ายเส้นโคโจรเส้นอะไรไปนี่คนทาโดยทุกวันนี้คนทาอยู่นะเพราะพลังงานจิตวิญญาณคนนี่แหละทำ เนี่ยทำอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วเขาไม่รู้เขาไม่คิดเขาเขาาอาจจะรู้นะนักวิทยาศาสตร์ลึกๆเขาก็คงจะรู้อย่างอาตมาเนี่ยอาตมารู้รู้โดยของอาตมาเนี่ยอาตมาไม่ได้ไปเป็นนักวิทยาศาสตร์หรอกแต่อาตมาก็รู้โดยเรื่องเขาต้องไปว่าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆจะรวดเวลามันขับดันออกไปจากโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานทางวัตถุพลังงานทางวัตถุมันก็เกิดการขับดันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้ายมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายแน่นอนเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยถูกพลังงานทางจรวดขับดันทุกทุกครั้งทุกครั้งที่ส่งดาวเทียมส่งอะไรก็แล้วแต่ทําออกไปอยู่ทุกวันนี้เนี่ยโลกถูกพลังงานเหล่านี้แปลแป ล, แปลเปลี่ยนทิศทางแปลเปลี่ยนการหมุนแปลนเปลี่ยนแปลเปลี่ยนไปจนกระทั่งถึงเส้นโคจร แต่มันไม่ทีละมากเท่านั้นเองไม่ทีละมากจนกระทั่งมันเห็นได้ชัดเจนมันทีละน้อยแต่มันเปลี่ยนมันมันไม่มันไม่ได้อยู่เท่าเดิมมันถูกการเปลี่ยนแปลงมันเป็นตัวแปรได้อย่างนี้ก็คือคนและทำอะไรอะไรอีกต่างต่านานานี่อาจมายกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเรื่องเท่านี้ให้ให้รู้ให้เข้าใจเพราะะนั้นโลกเมื่อถูกไปแปลเปลี่ยนมันก็กลายเป็นอะไรที่มันก็ ไม่เป็นธรรมชาติเดิมมันละมันก็ถูกอันนี้ไปเป็นตัวแปรเพราะโลกมันก็หมุนผิดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยฤดูกาลก็เปลี่ยนแล้วเราอยู่ตรงนี้ของลูกโลกน่ะเส้นรุ่งเส้นแวงเท่านี้ประเทศไทยอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็มันก็เปลี่ยนทิศแล้วพระอาทิตย์คนไม่ได้ไปอยู่รพระอาทิตย์คนไม่ได้ไปเปลี่ยนทิศทางของพระอาทิตย์ ไม่มีพลังงานชีวะไปเปลี่ยนแปลงมันก็อยู่ตามธรรมชาติของมันเป็นไปแต่มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปน้อยแต่นี่คนมาเสริมพลังให้มันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นจากลูกโลกนี่เพราะฉะนั้นลูกโลกถูกคนเนี่ยถูกชีวะเนี่ยทำให้ลูกโลกนี้แปลเปลี่ยนมากกว่าพระอาทิตย์เพระอาทิตย์ก็จะอยู่ที่หรืออยู่ในวงโคจรหรืออยู่ในสภาวะของมันได้ คอนสแตนต์มากกว่าใช้ภาษามันก็จะอยู่คงที่ของมันมากกว่าแต่ไอ้เจ้าลูกโลกเนี่ยมันเกิดการแปลเปลี่ยนเคลื่อนย้ายไปมากกว่าพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นฤดูกาลหรือ น, นี่เกิดอิทธิพลจากพระอาทิตย์มีพลังงานจากพระอาทิตย์มาทําให้ความร้อนความเย็นความหนาวฝนฟ้าดินน้ําลมไฟมันเป็นเป็นฤดูกาล โลกทําตัวเองก็ฤดู ก, กายก็เปลี่ยนเพราะอาทิตย์มันก็ซื่อตรงแต่ลูกโลกนี่เลวเปลี่ยนแปลงเองลูกโลกก็แปรฤดู ก, กายก็เปลี่ยนจริงๆมันไม่ใช่โลกทําตัวเองมนุษย์ไปทํามันโยกภูเขาเอามาทมทะเลอะไรต่างๆนานาด้วยลักษณะแรงเวียงความน้ำหนักเอ็นเอียงเปลี่ยนหมดนี่ มนุษย์จะย้ายทั้งนั้นนะย้ายภูเขาไปถมทะเลย้ายทะเลถมแตอะไรเรียบปูสารพัดภูเขาทั้งรูปมันก็เปลี่ยนมนุษย์เนี่ยไม่มีภูเขามามาทําอย่างในกรุงเทพเนี่เอาวัตถุดิบมาทําไปก่อเป็นสร้างไอ้ที่ยิ่งใหญ่ประเทศที่ยิ่งใหญ่กรุงเทพก็ไปเอาอะไรไม่รู้มากองเหมือนภูเขาเหมือนกันตึกรามบ้านช่องวัตถุเอามาน้ําหนักก็มาถมอยู่ที่เมืองใหญ่ๆกองกลางนี่เท่าไห ร, เาาร่เปลี่ยนมาจากตรงนู้นเปลี่ยนมาจากตรงนี้ อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คงพอนึกออกอย่างนี้แหละทำให้เสียศูนย์เสียสภาพแรงเวียงเครื่องความเคลื่อนย้ายแรงหมุนก็เปลี่ยนแปลงไปพลังโลกก็ต้องเปลี่ยนสภาพฤดูการก็เปลี่ยนไปนี่ตอนนี้เนี่ยแต่มาพูดมานานแล้วถึงเดือนห้าในหน้าฝนแล้วเดวนี้ <Okay. S 1> เดือนห้าหน้าฝนแล้ว ส, สังเกตสิเดือนห้านฝนตก เดี๋ยวนี้พระอาจารย์เองเขามาพูดกันว่าเอ้ลานิญาอเอลนิโยอะไรนี่ก็จริงไม่มีปัญหาอะไรหรอกก็ประเมินประมาณไปคํานวณไปเถอะมันก็จะได้ตามที่เขาคานวณอาตมาเองอาตมาไม่ได้ไปเอาใจใส่วิธีเหล่านี้ที่อธิบายให้ฟังอาตมาไม่ได้ไปนั่งคํานวณไปนั่งไปจดจอศึกษาอย่างเอาใจใส่แล้วก็จะได้สถิติที่ถูกต้องมาคํานวณมาประมาณมาบอกให้พวกเรารู้อาตมาไม่ได้ไปสนใจอาตมาไม่ได้ไปทําแต่อาตมารู้ถ้าอาตมาไปทํางานนั้นแล้วก็ พิจารณาทดสอบแล้วก็วัดทำอะไรอะไรให้มามาอาตมาก็ทำได้เพราะรู้อยู่อะไรประกอบไปด้วยอะไรก็รู้นะาไปทำงานนั่นก็จะได้รายละเอียดคำตอบอันนั้นมาแต่อาตมาไม่มีเวลาอาตมาไม่ทำงานนั้นอาตมาจะมาทำงานตัวร้ายคือคนชีวะคือคนตัวดีก็คือคนแต่คนเอาวิชาก็ทำร้ายเพราะฉะนั้นในช่วงชีวิตที่ยังไม่ตาย คนเราเกิดมาเมื่อกี้นี่ที่อ่านบทความอะไรกันที่ท่านฟ้าไทยอ่านไปเนี่ยบอกว่าน้องขวัญลูกของคุณวิทยาเชียงคุณเนี่ยแกก็มีแนวคิดแกก็บอกว่าไอ้คนเรามันไม่น่าจะเกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาแล้วก็มานั่งเรียนเรียนแล้วก็ทํางานแล้วก็หากินแล้วก็อะไรไปจนกระทั่งสุดท้ายก็ตายไปมันน่าจะมีอะไรดีกว่านั้น เ, เด็กคนนี้นี่มี น่าจะมาคุยกับเราบ้างมีอะไรดีๆที่น่าสนใจฮะอยากบวชเนี่ยเด็กคนนี้มีอะไรดีๆซึ่งแกอยู่ห่างพวกเราแกทําไมคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้ดีคนเรามันมีอะไรดีกว่าที่เกิดมากินกินขี้ๆเยี่ยวเยวหาเงินหาทองไปเรียนแล้วก็ทำอะไรอะไรไปเสร็จแล้วก็ตายอย่างจริงประสบพระสมเด็จคือได้เงินได้ทองมากๆได้ลาบได้ยศได้เยอะอะไรเยอะเยะเยะเสร็จแล้วก็ตายไปดีไม่ดีใน กรรมการงานที่เราทำกิจที่เรากว่าจะตายเราก็ใช้กรรมการงานหรือกายการะทาของเรานั้นไปทำร้ายท ำ, ทำริทาร้ายทำเลวอะไรลงไปในสังคมอีกตั้งเยอะตั้งเยะโดยไม่มีปัญญารู้ว่าอะไรมันกุศลแทอะไรมันอกุศลแทเนี่ยอันนี้เป็นสัจจะที่อาตมาเห็นว่าศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยได้สอนท่านทรงตรัสรู้สิ่งที่วิเศษสุดมาแล้วเอามา ถ่ายทอดไว้สอนให้คนรู้ตามคนอื่นรู้ตามอาตมาเป็นต้นอาตมาก็เรียนรู้ตามท่านแล้วก็เห็นว่าเออมันสิ่งวิเศษจริงๆมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยเราจะเกิดมาแต่แค่อย่างที่น้องขวัญพูดอย่างนั้นน่ยมันไม่พอใช่ไหมมันมีอะไรดีกว่านั้นเกิดมาเป็นคนจะต้องเอาอะไรสรุปได้ก็คือเอานิพพานเอาให้ มาเป็นคนเป็นอาริยะบุคคลที่จะมีความเข้าใจในสรรพสิ่งต่างๆมันมีอะไรมันสังเคราะห์กันอยู่อย่างไรมันเป็นอะไรจนกระทั่งมาถึงว่าชีวิตนึกคิดมีเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันควรจะมีความนึกคิดอย่างไรเวทนาแปลว่าอารมณ์แปลว่าความรู้สึกเวทนาแปลว่าอารมณ์แปลว่าความรู้สึก ซึ่งโลกเขาก็รู้ตอนนี้เขา ก, กำลังเหอเรื่องอิโมชันหรือความรู้สึกหรืออารมณ์เนี่ขึ้นมา e Q เนี่ย EQ เนี่ยกำลังเหอๆอันนี้กันอยู่เนี่ยีตอนนี้หนังสือ EQ ก็เขียนเสร็จแล้วใครมางานศพวันนี้ก็รีบรีบแย่งบแย่ง <c oughs> <c oughs> พูดอย่างนี้อะไรไปแย่งกันจริงๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาไม้เรียวมาตีนะ พัวกันไปแล้วก็เลยไปพาซื่อไปจะแย่งกันจริงๆมนมาเรียนรู้ถึงคนเนี่ยรู้สึกอย่างไรเป็นกุศลรู้สึกอย่างไรเป็นอกุศลรู้สึกอย่างไรถูกควรจะรู้สึกรู้สึกอย่างไรเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ไม่ไม่ดีผิดอย่างนี้ไม่ควรจะเป็นไม่ควรจะรู้สึกอย่างนี้ควรจะตัดความรู้สึกหรือควรจะตัดอารมณ์อย่างนี้ออกไปเสียเป็นคนแล้วเนี่ยพระเจ้าสอนเราลึกซึ่งปานนั้น เพราะอารมณ์อย่างนี้หรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเรียนรู้มันมันไม่เป็นประโยชน์มันไม่เป็นผลดีนะเพราะเราเรียนรู้อารมณ์หรือเราเรียนรู้สิทธิสัจจะที่มันจริงมันดีนะขึ้นต้นอัตมาอธิบายเรื่องอ q ิเนี่ยมันมีประเด็นที่อธิบายออกมาอันหนึ่งที่เริ่มต้นคนจะเริ่มต้นเห็นว่ามันเออมันจะดีมันมันดีมันมันเข้าท่าจะมีอยู่จุด อาตมาจะยกตัวอย่างฟังนิดหน่อยในหนังสือเล่มนี้เช่นว่าคนเรารู้สึกว่าเราฉลาดนี่ดีคนก็มา ส, สมความฉลาดกันอาตมาโยงเรื่องมาตั้งแต่ IQ IQ i n t e l วอินเทอร์ i รนซ์ไอคิวอินเทอร์เรนซคือความฉลาดไว้ปฏิาพาไ์ไวพริบือเชาวไวไวพริบของคนความเฉลียวฉลาดของคน คนนิยมกันได้ก็ทุกคนก็มาศึกษาฝึกฝนทุกวันนี้ก็ยังนิยมอยู่ทั่วโลกใครๆก็ต้องการความฉลาดได้ก็หลงไหลว่าความฉลาดนดีจริงความฉลาดในตัวมันเองถ้ามันมีอะไรมาประกอบเข้าอย่างสมบูรณ์เช่นมีตัวรู้ตัวปัญญาที่รู้ว่าฉลาดแล้วก็ประกอบกรรมประกอบกรรมอย่างนี้ดีประกอบกรรมอย่างนี้ไม่ดี นั่นหนึ่งสองเมื่อรู้ว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีมันยังมีพลังงานที่ในจิตเรียกว่ากิเลสตนาอุปทานมีเป็นอำนาจในคนรู้ว่าดีมันยังไม่ทาเลยทำไม่ไหวรู้ว่าเลวมันยังทำเลยห้ามมันไม่อยู่กิเลสตนาอุปทานมันบังคับมีอำนาจในตัวคนไม่บังคับไม่ทำรู้ทั้งรู้ว่าไม่ดีมันยังทาเช่นใน ทุกวันนี้ในประเทศไทยนี่ก็ตามคนมันรู้ทั้งนั้นว่าวกินยาบ้าไม่ดีเด็กมันก็เริ่มรู้มาแล้วตั้งแต่เด็กๆแต่สุดท้ายมันก็ไปกินยาบ้าทั้งๆที่มันรู้เพราะมันคุมอารมณ์คุมสติคุมพลังงานทางจิตมันไม่แข็งแรงมันรู้ทั้งนั้นเดี๋ยวดยสามันมาดูทั้งนั้นน่ะความไม่ดีคืออะไรก็รู้กันอยู่แต่สู้กิเลสไม่ได้ กิเลสพลังงานที่อยู่ในจิตของเราเป็นพลังงานเราไม่สามารถที่จะสลายพลังงานนี้ถ้าพูดในแง่วิทยาศาสตร์ก็เป็นเชิงฟิสิกส์และก็เป็นธาตุเคมีมันสรุปมันเป็นตัวเกาะกลุ่มกันจนกระทั่งเป็นธาตุแท้เป็นตัวแข็งแรงแล้วกิเลสก็เป็นธาตุเคมีชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาความรู้ทางด้านฟิสิกส์มาจับตัวนี้แล้วก็เอาความรู้ทางฟิสิกส์สลาย าธาตุเคมีนี้ได้นี่พูดเป็นภาษาวิทยาศาสตร์แต่มนนามมามไม่เป็นนามธรรมมันไม่ไปใช้ประไปเอาน้ํากรดมันอย่งอางวัตถุธรรมไปเอาธาตุนั้นธาตุนี้อย่างทางวัตถุธรรมเอามาผสมอันนี้อันนี้นี่อะไรมาสังเคราะห์กันให้มันทำกันเป็นวัตถุมันไม่ใช่แต่นามธรรมามันก็สังเคราะห์กันเหมือนกันเพรา ะ, ะถ้าเราได้เรียนรู้ดังกล่าวนี้เราจะรู้กุศลที่แท้จริง ในหนัสือจตอาตบอธิบายถึงก็ตั้งว่ามันเห็นอชอบความฉลาดพอมาฝึกฝนควาฉลาดก็ชอบความฉลาดอชอบความฉลาดเพราะว่าถ้าพบอกว่าฉลาดนี่จะเป็นคนที่เหมืนได้เปรียบได้เปรียบกว่าคนอื่นะจะหาเงินได้มากกว่าเขาะจะทําอะไรจะไดก็ได้อํานาจมากกว่าเขาพาชีวิตเจริญว่าไงนะเจริญอย่างไรเจริญได้ลาบยศสันเสอร์โลกีเยสุก เป็นโลกีคนก็ชอบพรังคนปุตตชนธรรมดานี่ชอบอย่างนี้ทั้งนั้นแนหะปุตุชนโลกีชอบได้เปรียบมีความสามารถมากเพราะไอคิวสูงเพราะความเฉลียวฉลาดสูงเมื่อสูงก็เอาความเฉลียวฉลาดเนี่ยมาทำกรรมได้เปรียบคนได้เปรียบสังคมมีอยู่ทั้งโลกนะ่ะและก็ชอบความฉลาดที่มันได้เปรียบนี้ คนไปชอบความได้เปรียบนี่คือคนโง่แต่บอกว่าคนฉลาดเนี่ยชอบที่จะได้เปรียบแล้วก็ก็ยินดีในการได้เปรียบคนฉลาดที่ไปยินดีที่ตัวเองไปทำกรรมได้เปรียบมันไม่ดีนะไปชอบสิ่งไม่ดีความได้เปรียบเป็นสิ่งเลวความเอาเปรียบเป็นสิ่งเลวนี่คนก็รู้เอาเจ้าตัวคนฉลาดนนะมาถามก็ได้ ว่ได้เปรียบกับเสียสละอันไหนมาดีกว่ากันนะคนเอาเปรียบกับคนเสียสละอันไหนมาดีกว่ากันไปถามเด็กเล็กๆก็ยังได้เลยแต่ไปชอบความเอาเปรียบความได้เปรียบที่ตัวเองฉลาดมีอํานาจเหนือเขามีอะไรเหนือเขาแล้วก็ได้เปรียบแล้วก็ไปชอบความได้เปรียบแล้วก็ว่าตัวเองฉลาดก็ไปชอบสิ่งที่เลวสิ่งที่ชั่วยินดีกับสิ่งที่เลวที่ชั่วแล้วก็รังสรร์ พัฒนาให้สิ่งที่ดีที่ชั่วเนี่ยมากขึ้นด้วยเห็นไหมว่ามันย้อนแยงแล้วคนนี้ฉลาดจริงหรือโง่ไปชอบสิ่งที่เลวเนี่ยมันคนโง่แล้วมันไม่จะฉลาดแต่เขาก็ฉลาดนะสับสนไหมฟังชัดไหมเดี๋ยวไปอ่านหนังสือ EQ เนี่ยนี่ยแยกแยไว้ละเอียดกว่านี้มีมากกว่านี้เพราะฉันจะ อาตมาก็แฉเห็นว่าคนที่อยู่ในสังคมทุกวันนี้ในการบริหารมันแขวยแขวะไปทางด้านผู้บริหารอยู่เหมือนกันหลายคนอาจจะหาว่าอาตมาไปว่าคนบริหารไปแขวบไม่ใช่อาตมาอธิบายสัจธรรมซึ่งยกตัวอย่างสิ่งที่มีจริงเป็นปาตุภาวะมีปรากฏการสัมผัสได้ให้ดูให้รู้พูดโดยลอยลมไม่มีอะไรเป็นตัวอย่างเลยอาตมาว่ามันไม่เป็นผลศึกษาที่จะรู้ดี เพื่อนใครจะหาว่าอาตมาไปว่าเขาก็ไม่ได้ว่าหรอกไม่ได้เจตนาจะว่าแต่มันเลี่ยงไม่ออกเพื่ะนั้นก็ว่าไปเช่นความฉลาดเนี่ย intelligence เนี่ยไวพริบเฉลียวฉลาดเนี่ยภาษาบาลีมันคือคําว่าชวนภาษาบาลีคือคําว่าชวนอาตมาก็แปลว่า intelligence แปลว่าชวนแปลว่าไว้พริบแปลว่าความเฉลียวฉลาดนี่แหละ ก็มาราศพเดียวกันชวนะเนกระเฉาไงความเฉลียวฉลาดเฉาไวไงนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละ mm. แล้วก็เพราะความเฉลียวฉลาดที่อวิชานี่แหละสังคมถึงได้ย่ำแย่และตัวเองก็แย่โดยตัวเองไม่รู้อัตมาที่วิเคราะห์วิจัยฟังว่าคนยังไม่เข้าใจโลกียะก็หลงอยู่ในโลกียะนี่วนลาบยศสั้เสริญโลกียสุขอ่ะ อย่างบางคนก็ยังชอบสันเสริญชอบยศก็กดข่มไม่เอาลาบเสียสละลาบไม่รับลาบมากเราไม่เอาลาบแต่ เ, เราเอายศเอาสันเสริญเนี่ยมันก็เป็นวงวนของการแลกลาบแลดยศแลกสันเสริญอยู่ในนั้ น, นมันไม่ใช่โลกุตระมันไม่ใช่ความฉลาดที่แท้ตัวเองก็เป็นธาตุโลกียะอยู่อย่างเงี้ยชัดในเรื่องลาบลาบยศสันเสริญโลกียสุขแล้วเรียนรู้อารมณ์ อารมณ์มันสบายใจมันเป็นสุขมันชื่นใจที่ได้ลาบอาละล่ะเราตกก้องกดข่มเราเรารู้แล้วว่าเราจะไม่เอาลาบเพราะว่าลาบเนี่คนมันเห็นหยาบก็าหาว่าเป็นคนไม่ดีไปตะ ก, ต ก, การตกกาตะกราไปโลภลาบแต่ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองโลภยศโลภสัมเสริญยึดติดอยู่ที่โลภสัมเสริญยิดจิตที่ยศท่านท่านที่บางทีทุจริตมาแล้วอันนี้มันไม่ดีแล้วนี่อกุศลมันไม่ชอบมาพาคนก็ยังไม่ยอมมันก็จะเอาไว้ก่อน ฉันเดี๋ยวไม่ยอมเสียลากไม่ยอมเสียยศเสียสันเสริญแต่ เ, เสียราบเสียได้เอาไปแรกอะ่ะเอาราบไปแรกสันเสนริญเป็แรกยศนี่ก็คือพฤติกรรมของมนุษย์ถ้าเปิดวาเรียนรู้แล้วจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้อย่าว่าแต่คารวะเลยแม้แต่พระแม้แต่สมณะก็ยังบางคนก็ทําเป็นมากน้อยสันโดษราบแต่ก็หลงยศหลงสันเสริญอยู่ในยศเลย ลึกไปกว่านั้นมีรัตธิบางรัตธิเนี่ยโอ้มากน้อยสันโดษได้มากเลยแต่ไม่รู้จักอัตตา่เป็นนาสมา ร, รมแล้วไม่รู้จักการเสพติดว่าตัวเองได้ดีนี่ก็เป็นภพเป็นชาติอยู่ที่ดีติดในอัตตาโอ้ฉันมากน้อยสันโดษได้เก่งแล้วมากน้อยได้มากเลยนะอย่างรัตธิพระมหาวีระรัตธินิครณนิครณนาถบุตรเนี่ยซึ่งเป็น อ, อยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน เน้นมามักน้อยส้นโดวขนาดนุ่งผ้าก็ไม่นุ่งไม่สะสมสมบัติอะไรเลยมากน้อยก็ศาสาศนาพุทธเยอะเลยพัดนักมากน้อยได้เดียมเลยไม่เอาแม้แต่ผ่าหนุ่งแม่แต่มีดโกนก็ไม่ใช่ถอนเอาเส้นผมนี่ถอนเอาไม่ใช้มีดโกนก็ไม่ใช่ถอนเอาเลือดส้มเลยนะเขาเวลาถอนเสร็จมันเลือดโสมหัวเลยเก่งอดทนมาก กินน้อยใช้น้อยโอ้โหไม่ได้หรอกแม้แต่ตัวเล็กตัวน้อยแบคทีเรียอะไรเนี่ยมีภัดชนะสําหรับที่จะใช้ใส่อาหารกินก็ค่อยกคยเช็ดไม่ให้มีทุลีละอองไม่ให้มีเชื้ออะไรต่ออะไรเป็นชีวะขนาดนั้นแบบนี้นี่ถ้าเชื้อโรคเข้าตัวก็ให้เชื้อโรกกินตายไปหมดเลายไม่ได้ทำลายเชื้อโรคไม่ได้ถือว่าชีวะนี่มันมันมกน้อยจนเกินการเขามักน้อยได้มากกว่าพุทธอีกเยอะแยะเลย อย่างนี้ก็เป็นความคิดเชิงหนึ่งของมนุษย์นะพระพุทธเจ้านั้นเรียนรู้ในนัยยะของความละเอียดของจิตวิ ญ, ญญาณที่ติดยึดเกาะเป็นพบเป็นชาติเป็นอะไรอะไรต่างๆนานาและอยู่ในความเหมาะควรอะไรมันเกินการแบ่งแยกพลังงานทางทางชีวะเป็นผีชะเป็นจิตวิญญาณแล้วก็ไปประกอบกรรมไปรกรอบอุศนีธรรมอุศรธ ร, รรมอกุศรธรรมอะไรเนี่ยที่อาตมาวิเคราะห์วิจัยอุตตุผีชะ จิตกรรมธรรมะอะไรพวกนี้ให้ฟังนะน่ะซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งที่สุดเลยเพราะฉะนั้นมา่อเรียนแล้วศึกษาแล้วเราละลดสิ่งที่เป็นอํานาจที่จะไปให้คนก่อกรรมจนกระทั่งเราสามารถล้างอํานาจเลวที่เป็นอํานาจกิเลสตัณหาประฐานหรืออานาจอากุศลจนตายสนิทไม่มีพลังงานเหล่านั้นอยู่ในจิตวิญญาณของแต่ละคน เป็นพระอรหานในจิตวิญญาณเหลวพวกนี้ตายไม่มีบทบาทแล้วไม่มีกำลังที่จะม า, บ, าบังคับหรือว่าเป็นใหญ่ในตัวไม่มีอินทรีย์ไม่มีพะละแล้วหมดมีแต่พลังงานกุศลแล้วก็สร้างสารรค์เป็นประโยชน์คุณค่าให้แก่โลกตัวเองก็อยู่ไปไม่มักน้อยเกินไปจนกระทั่งเหมือนก็ นี่คนน่าทะบีที่ยกตัวอย่างไปอยู่ในสภาพมัตชิมมากินอยู่พอให้ร่างกายอยู่ได้พอสมควรแม้แต่อยู่กับธรรมชาติอากาศอะไรต่ออะไรก็ไม่ให้มันเกินไม่ให้มันตง่งไปจนกระทั่งสัมผัสสัมพันธ์กับสังคมที่ได้ประโยชน์สูงสุดไม่ได้เช่นไม่นุ่งผ้าอย่างนี้จะสังคมก็ไปสังคมสามัญของมนุษย์โลกโอ้คนมันรับไม่ไหวหรอกมันสัมพันธ์อะไรมันได้ประโยชน์น้อยมาก เพราะไม่เป็นไรเรานุ่งผ้าดีกว่าแต่นุ่งผ้าก็นุ่งเพื่อกันร้อนกันหนาวกันอุจารกันเชื้อโรคอะไรพอสมควรเท่านั้นเองก็พอแล้วไม่ต้องไปปรุงแต่งติดยุดอะไรมากอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าก็รู้ความพอเหมาะพอควรที่จะเป็นประโยชน์สูงประหยัดสุดในโลกเพราะนั่นคนที่รู้จักความพอเหมาะพอดีได้ว่ามัชฌิมานจึงเป็นสูตรลักษณะของพระเจ้าที่วิเศษที่สุด ทีนี้ความเหมาะความเป็นเป็นมัชธิมเนี่ยมันก็ขึ้นกับองค์ประกอบอีกในพระพุทธสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีโทรทัศน์ไม่มีคอมพิวเตอร์ท่านก็ใช้สิ่งที่มีพอสมควรท่านก็รับพอสมควรกุฏิพระพุทธเจ้านี่โตกวุติอตมานะในฐานะของท่าน กุฏิของท่านโตกันออกมาคนไปสร้างให้ท่านก็อยู่ไปอ น, นุโลมพอสมควรท่านก็ไม่ได้ติดจยึดหรอกแต่ว่ามันก็เอาแต่ท่านก็พยายามให้น้อยก็ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารอะไรท่านก็พยายามใช้เท่าที่ท่านจะเป็นตัวอย่างที่ดีในฐานะตามอย่างท่านถ้าตมาจะไป ม, มีกุฏิเท่าพระพุทธเจ้ามันก็ไม่เหมาะสมท้าตมาไม่ได้ใหญ่กว่าท่านหรือในมุมกลับถ้าตมาจะมีกุฏิใหญ่กว่าพระพุทธเจ้า ก็สมควรอยู่เพราะเรนในฐานะที่คนกิเลสมากกว่าถ้าจะพูดว่ากิเลสเป็นคนที่ฐานะต่ำกว่าคนต่ำกว่าจะอยู่บ้านหลังใหญ่กว่าถูกแล้วเพราะคนมีกิเลสหนากว่าคนต่ำกว่าควรจะต้องมีทรัพย์สินมากกว่าก็ต้องรวยกว่าคนที่สูงคนสูงต้องมีน้อยกว่าคนต่ำกว่าก็ต้องเขามีมากกว่าเออก็ถูกอย่างนี้เป็นต้น นี่เรื่องอย่างนี้เป็นภาวะที่เข้าใจยากทําไมคนต่ํากว่าให้ไปให้มีมากกว่าใหญ่กว่าแล้คนสูงมาให้มีน้อยกว่าแต่แต่ภาวะซับซ้อนคนสูงกว่าจะได้มากกว่าเพราะฉะนั้นคนจะทําทานกับพระพุทธเจ้าจะทําทานมากกว่าคนต่ํากว่าคนที่ต่ํากว่าพระพเจ้าได้รับทานจากคนน้อยกว่าพระพุทธเจ้าหรืออาตมาจะได้รับคนมาบริจาคมากกว่าคนอื่น ในหมู่เรานะไม่ใช่ไม่ไปเทียบกับคนอื่นไม่ไปเทียบกับข้างนอกข้างนอกเขามันมีอะไรซับซ้อนอีกถึงเขาได้มากนั่นได้มากด้วยความสุจริตใจด้วยกรรมวิธีมีเลขเหลี่ยมมีเชิงกลมีจิตวิทยาหลอกล่อให้เขามาทําบุญมากอาตมาก็หลอกเป็นถ้าจะหลอกหลอกให้เขามาทําบุญมากกว่า น, นี้มีอนุเนนีประกอบแม่ที่สุดอาตมาจะเล่นเดรชาวิชาบ้างอะไรแต่ละบ้างโอ้อาตมาไม่กลัวลอกหลว่อคูนก็ไม่กลัว ทำมาธรรมชาติก็ไม่กลัวจริงๆไม่กลัวหรอกทำให้ ม, มันรวยให้อย่างนั้นได้ก็ใช้วิธีการพูดมีวิธีองค์ประกอบมีจิตวิทยามีนู่นมีนี่อัตามาจะกปูถนนนี้เป็นทองคําก็ได้จริงมไม่จะพูดเล่นหรอกเพราะเราเข้าใจแล้วเราก็เป็นด้วยจะทําได้แต่มันเร็วมันเร็ว ไม่รู้ไปทำทำไมแค่นี้ก็ก็ไม่เลวนักแล้วลแค่นี้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่น้อยนักแล้วละ่ะก็ได้ขนาดนี้ก็เอาตามบุญบารมีเพราะถ้าเราจะบริสุทธิ์ไม่และเล็มไม่เหลียบเคียงยิ่งไปหวานล้อมแมวเอาและเหลียบเคียงหวานล้อมไม่ดีเพราะนั้นบอกบุญหรือว่าทําให้คนอื่นเข้าใจได้รู้จักสิ่งควรไม่ควรพอสมควรแล้วก็ทนั้นอาตมาว่าอาตมาทําขนาดนั้น เพราะเวลาบอกบุญก็บอกเท่านั้นนะ่ะบอกมากๆบางทียังเหนียมตัวเองเลยกระดากโอ้เราเนี่ยมันเมื่อเข้าไม่เท่านี้เราก็ต้องรู้ขีดสุดว่าเออเท่านี้แหละบุญเรามีเท่านี้หรือว่าคนศรัทธาเรื่มใสคนที่จะกล้ามาช่วยเหลือกล้ามาโถมแรงวัตถุโถมแรงงานโถมแรงชีวิตช่วยได้เท่านี้ก็เท่านี้ตามบุญบารมีเราเราไปบังคับจิตคนหรือไปบังคับไปฝืนใจคนมาให้ช่วยเรา มันเป็นบาปซ้อนถ้าไปฟื้นใจคนมาให้ช่วยเราเนี่ยบาปซ้อนไม่ฟื้นแต่คุณใช้เล่หเหลี่ยมก็บาปใช้เล่หเหลี่ยมให้คนมาช่วยเราบาปฟังควาเข้าใจนะใช้เล่เหลี่ยมไปให้คนมาช่วยเราเนี่ยมันไม่ได้บริสุทธิ์อะไรหรอกมันบาปมันคนไม่ได้ดีอะไรหรอกไม่ต้องไปพูดเลยว่าเป็นหลอกไปใช้เลขห์นคนไม่ต้องพูดใช่ไหมอย่างนั้นเงินยิ่งมาหาบาปเลย ใครจะเอาชื่อว่าบาปไปเป็นมหาก็เอาตามใจนะมหาบุญนี่มีชื่อบุญแล้วก็เป็นมหาเยอะแต่ไปมีชื่อบาปไม่เอาเนาะเป็นมหาบาปที <c oughs> อ่อาตมาพูดอะไรๆให้ฟังเนี่ยนะเป็นเรื่องของมนุษย์พระพุทธเจ้าเนีเ่ยไปศึกษาเรื่องของมนุษย์ทุกวันนี้นี่คนเป็นหลงอะไรไปหลง ความข้างนอกเป็นหลงอะไรต่ออะไรที่มันมีอะไรเจริญ ง, งอกงามทางวัตถุทางอารมณ์ด้วยทางอารมณ์ทางนามันโอ้โหไปสนุกอย่า ง, งนั้นไปรื่นเริงอย่างนี้ไปมีความรู้สึกอย่างนี้ไปมีภูมิปัญญาอย่างนี้รู้สึกว่าดีรู้สึกว่าเท่รู้สึกว่ามากรู้สึกว่าหลากหลายรู้สึกว่าโอ้โหจิตพิดานรู้สึกว่ายิ่งใหญ่เป็นผู้รู้มากเป็นผู้เข้าใจมากโลกทุกวันนี้ก็นิยมเงินเยอะ มีสภาพออกไปนอกเป็น globally เป็นสภาพไปรอบโลกเลยรู้จักรอบทิศรอบทางโอ้โหมากกว้างคน ส, สนใจแล้วสนับสนุนส่งเสริมกันจกจ้องกันด้วยทุกวันนี้คนที่มีความรู้รอบตัวมีวิสัยทัศน์มีอะไระอะไรกว้างขวางใหญ่โตนี่โม ห, หูยิ่งใหญ่แต่เขาไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักความเป็นมนุษย์ ไม่รู้จักความเป็นมนุษย์ไม่รู้จักอารมณ์ไม่รู้จักสิ่งที่เป็นพลังงานอยู่ในตัวเองไม่รู้จักกรรมอันนี้แหละอาตมาว่าเขามองเพลินแล้วคนทุกวันนี้นิยมเนี่ยนะนิยมกบฏมากกว่านิยม human being ความเป็นมนุษย์นิยม ไอ้สิ่งานะนั้นนี่ใมันเปินพระรพระเจนนา้าเข้าใจอนันตมาก็เข้าใจพอสมควรศึกษามาด้วยเหมือนกันมาศึกษาความเป็นมนุษย์ให้ลึกก็ไปจนกระทั่งถึงจิตปัญญาเนี่วิเศษกว่าดีกว่าเนี่ <Yeah. S 1> พอเราได้มาศึกษาความเป็นมนุษย์ศึกษาอารมณ์ศึกษาจิตปัญญาศึกษากรรมมาควบคุมกรรม เลิกกรรมที่เป็นทุจริตหรือเป็นอกุศลหรือเป็นสิ่งไม่ดีมาตามฐานะตามขั้นตอนมาแล้วเอาพลังงานของเราทั้งกายวาจาใจมากระทามาเป็นกรรมในสิ่งที่เป็นกุศลหรือเป็นสุจริตเป็นสิ่งที่ดีงามเราก็พากันทำอยู่เนี่ยแม้กระนั้นมันก็ยังมีกิเลสขี้เกียจกิเลสอ้ ถูกใครรับไปกิเลสเลี่ยงมันมีแล้วก็มาเรียนรู้ว่ามันดีไหมละ่ะมันไม่ดีเราก็ปรับปรุงตัวเราเข้าไปคนก็จะมีพลังงานมีกรรมที่ดีขึ้ น, นเรื่อยยิ่งลดยิ่งละยิ่งไม่ติดไม่ยึดมันก็มักน้อยลงมันน้อยมันก็พอมันก็สันโดดไป มันก็เป็นคนที่น้อยแต่ความขายันมากขึ้นสมรรถนะสูงขึ้นสร้างสารรค์ได้มากขึ้นเราก็เป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อใครๆได้มากขึ้นเรายังเอาน้อยเรายังไม่ต้องไปแม้แต่ไปที่แบบบังคับกดขี่ใครใครจะทําก็เรื่อของใครถ้าเขาใจกรรมแล้วกรรมใครกรรมมันใครทําดีของของใครใครทํามากทําน้อยก็แล้วแต่ใครทําชัว่วทําดีของของใครของมันเพราะนั้นก็ชัดเจนในสิ่งนี้เราก็ยืนหยัดเนี่ยของใครก็ใครทำซะบอกกันได้อบอก บอกมากหรือเคไม่ชอกคีนาเราเปล่าๆกอไม่ต้องไปบอกเขาต่อบอกแค่นั้นก็พอแล้วเราจะบังคับเขาบ้างทําบังคับเขาก็ดีขึ้นบ้างก็เอาแต่ถ้าบังคับไปแล้วเขายิ่งเลวดีไม่ดีเกะคีน้าเราอีกก็ยังไม่ต้องทําต่อทําต่อแล้วมันไม่เกิดผลดีเขาไม่ทําและเขาก็เกะคีน้าเราอีกอ้าวมันเสียไปทั้งสองด้านเลยเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นดีไม่ดีไปสร้างเวรสร้างกรรมมาเกะคีน้ากันอีกอ้วไม่ไม่เข้าตาเพราะยัเอาแค่เนี้ ระมระวังถ้าเรามาเรียนรู้อารมณ์เรียนรู้จิตได้รู้เวทนาสัญญาสังขารหรือในวิญญาณหรือในจิตปิญญาทั้งหมดเนี่ยมีเจตสิกใหญ่ก็เวทนาสัญญาสังขารมีความรู้สึกมีการกำหนดรู้และจดจำไว้ได้เรว่างสัญญามีสังขารเรว่าการนอามาผสมปรนปรุงให้ได้สัดส่วนถ้าเป็นสัดส่วนที่เป็นคนที่รู้ก็ได้สัดส่วนที่ดีเป็นกุศล มันก็เป็นพลังงานที่จะไปสร้างกุศลถ้าผสมแล้วได้สัดส่วนที่ไม่ดีเป็นอกุศลเจืออยู่เยอะมันก็ออกไปทําพลังงานเป็นอกุศลเยอะเพราะนี่เป็นตัวต้นทางของชีวิตมนุษย์มนุษย์เกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้อันนี้ดีเนี่ยน่าจะไปบอกน้องขวัญบ้างนะ พูดถึงน้องขวัญพอดีก็นเ่ันนั่งอยู่นกับน้องขวัญนย้องหลังนุ่มแต่ก่อนก็น้องขวัญเาจะมาเรียกคือต่ก่อนยพูดแต่เป็นคารวะเขเรียกกันน้องขวัญน้องขวัญน้องขวัญพิดแป๊กก็พูดกันนอย่างนั้นนะกันเดี๋ยวนี้มาบวชเราเลยไม่อยากเรียกอย่างนั้นก็เลยเรียกชื่อเฉยๆเรียกขวัญเฉยๆฮะอะหากันกี่ปีเเกิดปีอะไรปีขาหรือปีเถาะฮะ กิด ป, ปีอะไรปีถอกอาตมาก็ไม่รู้จําไม่แม่นก็น่าเอเลยอาตมาเกิดปีจอทางกีก่ปีปห้าปีก็คนเราเนี่ยถ้าเพิ่มมาเรียนรู้อย่างนี้นั่นหมาจะเกิดประโยชน์คุณค่าทั้งตัวเราเองแล้วคนเราอาตมาสรุปลงไปให้ฟังมากแล้วเกิด <c oughs> มาไม่ได้ต้องการอะไรหรอก ต้องการเนปะ็นก็ต้องการลาบยศเสนโลภีสุขมันก็อยู่อย่างนั้นแหละนั่นแหละคือปุถุชนก็งมงายอยู่นัอวิชามุนอยู่นะ่ะเป็นเว็ดเป็นกรรมเป็นหนี้บุญหนี้บาปอยู่ตรงนั้นนะ่ะลกตกนร ก, กขึนสวรรค์อยู่อย่างนั้นตลอดนานับกับการไม่มีทางรอดไม่มีทางที่จะ ส, สร้างให้ถาวรคงที่พลังงานที่ดีที่แข็งแรงเป็นนิจจังทุวังสัตสตังอวิปรินามธรร ม, มังอสังหิรังอกุ ป, ปัง เนี่ยในหนังสือ EQ นี่ยโอ้โหอาตมาได้ความรู้มาต้องคน้นคว้าต้องสอบทานจากหลักฐานโอ้โหบาหลงบาลีอะไรนี่ชักเฟื่องอะปะเรียนก้องปะเรียนก้ามาได้ยินเข้าของมันใส่หน้าดูเงีนี่ยเมื่อมาเรียนรู้แล้วรู้สัจธรรมตรงนี้แล้วเราจะรู้จะเข้าใจอะไรต่ไรแม้วิทยาศาสตร์ แม่ศาส์เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์อะไรเนี่ยมันอยู่ในนี้ทั้งหมดเพราะมันรู้จักสิ่งที่วิเศษยิ่งคือปัญญามันเป็นรู้เลยอ้อโลกวิทูมันก็รู้อันนี้ประกอบด้วยอันนี้อันนี้เป็นอย่างนี้แล้วทําไปเพื่ออะไรก็เพื่อความอยู่ดีของมนุษย์เขาคิดที่จะไปสร้างสถานีอวกาศไปสร้างเมืองใหม่อยู่นอกโลกมันก็คิดเพื่อมนุษย์แต่มันเฟ้อนะ เอาตมาว่ามันเฟอ้อปล่อยให้ดวงดาวมันเกิดเองแล้วก็ไปอยู่กับดวงดาวเถอะอย่าไปสร้างดวงดาวใหม่ไอ้ไปสร้างสถานีหรือดวงดาวเล็กๆแค่นั้นเองไปอยู่ในโลกแล้วก็จะไปอยู่จองกันนะเศรษฐีจองไปสถานีอวกาศหรือพา์เป็นนั่นเะหมือนอะไรอันหนึ่งที่ไปอยู่ในอวกาศข้างนอกแล้วจะไปรู้ก็อยู่ในเล็กๆแคบๆเดี๋ยวนั่นะนะ ระดวงดาวมันจะใหญ่กว่านั้นและดาวที่มันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างดาวลูกโลกนี่มันก็จะมีของมันอยู่นานนับกับการไม่ต้องไปแย่งชิงธรรมชาติไปสร้างเรืองขนาด น, นั้นหรอกเฟอ้อเปล่ า, เป ล, าเปลืองเปล่ า, ลาบ้าดีเดือดเปล่ า, ลาแต่เขาไม่รู้หรอกพล ท, ที่เขาคิดเขาสร้างอยู่ในนี้เนี่ยนี่โครงการอะไรตระเรยรัสเซียอเมริกันกําลังย่ง่ยงกันใหญ่ในจีนก็จะเอามั่งเอาเลยใครจะไปสร้างสถานีอวากาศเสร็จก่อนกัน แล้วใครจะไปจองสถานีว่าใครจะมีไปมีที่ทางอยู่ที่อาวอวกาศมากกว่าการกอดกันเอาเลยไ้บ้าเขาไปเลยมันไม่เกิดการสร้างสรรค์อันนั้นมองเหมือนการสร้างสรรค์มันการสร้างสร้างสิ่งที่ประหลาดยิ่งใหญ่พิเศษแต่ลงทุนพลานกันไปต้งเท่าไหร่ไม่รู้ทําให้เกิดมลพิษต้องใช้ระดับพลังงานระดับปรมาณูนิวเคลียร์ซึ่งจะมีเศษการของนิวเคลียร์ซึ่งเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในโลกนี้อีก เป็นผลซ้อนเป็นตัวตีกลับทำลายโลกอีกเท่าไหร่ทุกวันนี้ในมหาสมุทรต่างๆเนี่ยเขาไม่มีวิธีทำลายกำมันตะพาพลังซีเหล่านี้แล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในใต้มหาสมุทรเนี่ยโดยใช้วัตถุปกปิดเก็บไม่อาตมาไม่รู้น ะ, ะรายรายเดียวว่าอะไรเป็นวัตถุที่เป็นไอที่หุ้มห่อมันก็ไปทิ้งไว้ในทะเลเนี่ยแล้วมันจะหมดอายุมันจะ สลายมันจะแตกออกมาแล้วมันก็จะระเบิดมาทําลายแล้วก็สะสมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันใช้พลังนิวเคลียร์แล้วก็มีรังสีกับมันเป็รังสีที่เป็นเศษกากที่ทําลายสัตว์โลกทำลายมนุษย์โลกทําลายชีวะอีกเยอะเลยวันใดวันหนึ่งมันก็จะบันไัยตอนนี้ก็ได้แต่กรบกรบปกปิดกันอยู่เนี้ยแล้วมันเฟ้อเนี่ยผลได้มันไม่คุ้มผลเสียจริงมันยังไม่ออกผลในวันนี้วินาทีนี้ปีนี้ชาตินี้ อาจจะไม่ออกในชาติที่เราอยู่เนี่ยอาจจะไปชาติหน้าลูกหลานเล่นไม่รู้แต่ออกแน่เช่นนี้มีผลข้างเคียงที่เป็นพิษเพราะงั้นเรามาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเราจะรู้ความจริงว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้ผลข้างเคียงที่เป็นพิษจึงเรียก ว, ว่ากุศลบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาทำกุศลได้บริสุทธิ์ก็ต้องเรียนรู้ความจริงที่เป็นโลกวิทูอย่างนี้ อาตมาขาดทำมานี่ยพอก็ทำสิ่งที่มันเป็นอะไรตร่ใดดีขึ้นมาเรื่อยแล้วก็ขยายนี่ก็ขยายอะไรอะไรออกไปมีบทบาทการงานมีอะไรอะไรประกอบขึ้นซึ่งพวกเราก็ตามไม่ทันบางคนก็มีจิตในทางเรียกว่าอนุรักษ์นิยมก็ยังไม่เห็นดีด้วยซึ่งอนุรักษ์ก็ดีมันก็ไม่ทําลายง่ายแต่มันก็ช้าเกิน ช้าเกินแม้กระทั่งความหมุนของโลกเพราะฉะนั้นเมื่อคนช้าอย่างนี้เนี่ยพัฒนาไม่ทันตัวเองก็โลกก็แตกแล้วตัวเองก็แก้ไขอะไรไม่ได้อีกเหมือนกันนี่อาตมาพูดเร็วสรุปให้ฟังมันชัมันใช้ไม่ได้หรอกไม่ทันการเพราะงัความพอดีในสัดส่วนที่พอดีดังที่อาตมาพูดคล่าวให้ฟังนี้มีลึกซึ้งกว่าที่อาตมาพูดนี้อีกเยอะอาตมาก็คํานวณอาตมาก็ประมาณเรียกว่ามัตตัญญาตา ประมาณในอะไรที่ควรประมาณหลายคนเข้าใจไม่ได้ทําไมอาตมาจะต้องมาสร้างมาเก่ออันนี้ตอนนี้ก็มาตื่นเต้นกันว่าทำไมจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการเมืองทําไมอาตมาไม่รู้ระวบบการเมืองมันมี ม, มีแรงมันมีอะไรมันเป็นบทบาทอะไรของสังคมแต่ก่อนนี้ทำไมอาตมา ต, ต้องมาแต่งเพลงอาตมาทําไมจะต้องไปอัดเพลงอะไรอย่างนี้เปนต้น <S <S ก็ไม่เข้าใจมาถึงวันนี้อาตมามีประกวดอาตมาก็ปล่อยให้ประกวดกันอยู่ประกวดแล้ว ย, ยังมีรางวัลอีก บางคนก็อโอ้โหอะไรกันมันจะปาบ้ากันไปใหญ่แล้วไปเอาอย่างโลกก็ทําไมเรามันมีภาวะที่จะขยายกว้างแล้วเราก็จะใช้สิ่งเหล่านี้เช่นอาตมาเอาโทรทัศน์เอาวิดีโอมาใช้แล้วมันได้ประโยชน์ไอ้ที่โทษเราก็เอามาเป็นบทเรียนแบบฝึกหัดที่จะให้เกิดขัดเกลาไม่ให้เกิดโทษอย่างเงี้ยเอายกตัวอย่างโทรทัศน์วิดีโอนี่อาตมามาใช้มาหลายปีแล้วก็รู้แล้วว่าเออเราอยู่เนื้อมันเราไม่ให้มันเป็นพิษกับเรา พวกคุณก็ไม่ได้เลีวไหลเลวร้ายไปก็โทรทัศน์นอกจากคนที่แอบแฝงไปอยู่นอกกรอบนอกเขตกําหนดแต่ไปเฟอ้อไปเกินคนนั้นก็มีพิษมีภัยเองในส่วนตัวของเขาไม่เชื่อไม่เข้าใจไม่เห็นว่าไอ้กรอบนี้หลอกหลักเกณฑ์นี้คุณก็ไปนอกรีไปแอบไปมีโทรทัน์ส่วนตัวไปแอบดูข้างนอกเองอยู่ๆก็ออกไปข้างนอกไปดูไปรับเอามาก็ไปรับเชื้อโรคเชื้อพิษมาของเขา แต่ถ้าอยู่ในแวดวงที่อาตมาประมาณให้เอารับเทา่านี้มีเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะจะไม่เสียหรอกถ้าเชื่อจะไม่เสือ่อมเพราะอาตมาประมาณแล้วว่าเออขนาดนี้เราอยู่ในความขอบคุณรุกแรงมันเท่านี้มันไม่ทําให้เสียแล้วเราก็สอนกันแนะนํากันให้รู้เท่าทันให้ให้เป็นประโยชน์นะเหมือนแรงงานเนี่ยถ้าเราไปต้านแรงงานไว้นี่นะเป็นแรงทศรีสิสแตนที่ทำให้มันเกิด ทดได้พลังงานที่สูงขึ้นได้แต่ถ้าไม่เป็นพลังงานไปต้านนปับ๊บมันเอาเราตายนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องที่มีมากมีมายที่เราจะต้องมีทั้งชีวะและวัตถุที่เราจะต้องประกอบกันให้มันได้สัดส่วน เพาอะไรต่างๆนานา น, านี่คนที่ยังเข้าใจไม่ทันอาตมาก็ฟังนะว่าเออมันเป็นมันเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันแนหะถ้ามันกระแสคนทุกคนไดอะไรมากลองโอ้รับไม่ไหวสู้ไม่ได้เราก็ต้องรู้แล้ววันนี้ไม่ได้นะมันมากไปแล้วคนนี่แหละจะเป็นตัวสัญญาณเป็นตัวที่จะกําหนดรู้และกล็กําหนดจะบอกมีสัญชาตญาณมีสัญญาณในคนเนี่ยมันละเอียดมากเลยธาตรู้นี่มันฉลาดมันจะเข้าใจ แล้วมันจะบอกให้สัญญาณเราเพราะฉะนั้นอาตมาเอาจากสัญญาณจากเราจากคนนี่แหละสัญญาณข้างนอกก็เป็นสัญญาณข้างนอกสัญญาณของคนข้างนอกเพราะเราทำงานกับคนข้างนอกเรียกว่าบริษัทแล้วก็รู้ว่าบริษัทนอกบริษัทในกลุ่มคนมีพนังงานของกลุ่มพนังงานของกลุ่มอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไรพนัก ง, งานของกลุ่มคนข้างนอกจะเป็นอย่างไรมันก็มี ร, รายละเอียดอีกนะ 阿拉อัอตมาอธิบญญายมาจนเลยเวลาแล้วว่าจะเทศชั่วโมงนึงก็เลยชั่วโมงไปนิดนึงแล้วนะและเราจะมีงานอะไรอีกต่ออยู่เพราะงั้นก็คงจะเลยไปอีกไม่ได้แล้วละมีเวลาก็ได้บรรยายสู่กันฟังมีอะไรที่ขยายก็รับฟังไปอะไรยังไม่เข้าใจก็วางไว้ก่อนอันไนที่เข้าใจแล้วโอ้โหชัดเจนดีต้องรีบทําอันนี้ต้องรีบทําเพราะอันนี้ดีเข้าใจมากเลยเห็นชัดเจนเลยว่าอันนี้ดีแน่ จงรีบทาตอนนี้ภาวะของพวกเรานี้เป็นภาวะที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาสูนย์เร่งรัดพัฒนามีอะไร่เรองอะไรสะสงังมีที่ไหนกันอยู่ในเร่งรัดพัฒนาอ่าอะอะไรมั่งเรื่องรู้สึกสำานึกฝึกตนขนขวว้ มุ่งหมายพัฒนาอานิสงส์สมบูรณ์เนี่ยรอพ อ, อรอพอมอเร่งรัดพัฒนามนุษย์เอาให้จริงเพราะนั้นความรู้สึกเนี่ยหรืออารมณ์หรือ e โมช i o n เนี่ยเป็นตัวรากทะทะรากเงาตอนนี้เขาจะกระตื้องขึ้นมาทางจิตวิทยาสังคมดันมนุษย์มนุษยวิทยาของเขานี่เขา ศึกษาในด้จิตวิยาเขาศึกษาเขาตื่นเต้น EQ ดีเป็นความกระเตื้องขึ้นมาในทางศึกษาในความรู้นะแต่เขาก็ยังไม่รู้ละเอียดอาตมาก็เลยสวมรอยเขียน EQ นี่ว่าถ้าจะเรียนรู้เรื่อง EQ แล้ว EQ พระพุทธเจ้าสอนไว้นิทรุอารมณ์ถึง108ประเด็นร0 8แง่เวทนาในเวทนาถึง1 0ออาตมาก็ขยายให้ฟังพระพุทธเจ้าสอนมาหมดแล้วจนกระทั่งถึงโล ก, กุตระ เป็นอารมณ์ที่อยู่เหนืออารมณ์โลกีเป็นอารมณ์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ใช่เป็นคนไม่มีอารมณ์มีอารมณ์นิพพานมีอารมณ์ที่เป็นมนุษย์สบายเบิกบานแจ่มใสเป็นพุทธเป็นเบิกเป็นรู้ตื่นเบิกบานไงพุทธเป็นอารมณ์ที่รู้เข้าใจแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ได้ อ, อยู่ในเรี่ยวในรูอยู่ในพบ เบิกตื่นรับรู้หมดทุกอย่างเบิกบานสดชื่นราเริ่ไม่ได้เหี่ยวเฉามีความสุขแต่สุขอย่างที่เขาเดากันไม่ได้วุปสมสุขเป็นอย่างไรนี่พานนั่นแหละเป็นสุขแล้วมันก็ย้อนแยงในตัวเอาไม่มีสุขไม่มีทุกข์ทุกข์เข้ามาสุขมันก็ไปแค่อุเบกขามันยังหมดแล้วทุกสุขแล้วมันจะเอาสุขมาจากไหนมันก็เป็นปฏินิสสคะเป็นสภาพที่มันย้อนแยงพูดสู่ฟังก็กลายเป็น Dia ะล ctic พูดพาเขาฟังไปว่วาเอ๊ะมันเปรตภาษาย้อนย้อนแยงอยู่ในทีใช่แต่สภาพจริงมันมีอยู่ในนั้ น, นเอาละอาตมามีเวลาเท่านี้นะวันนี้เทศไม่ฟังก็ขยายความอะไรไปสู่ฟังใครได้นักซือ EQ ก็ไปอ่านอ่านคนละสิบเที่ยวเนี่ยอาตมาว่ายัางน้อยไปนะเพราะว่าอาตมาได้อธิบายเรื่องเรื่องแม้แต่ชานรูปปัจจันรูปปัจจันแบ่งเป็นโล ก, กีเป็นโล ก, กุตระ เรื่องแบบที่เป็นแม้แต่เป็นโลกุตระที่ยังเป็นโลกีแม้แต่เป็นโลกุตระแล้วเนี่ยยังมีซ้อนยังจะเรียกว่าโลกุตระเป็นโลกีมันก็ยังไม่ใช่ทีเดียวมันมันจะย้อนแย้งเกินไปมันเป็นกุศลน่ะเป็นกุศลต้องเอาคําว่ากุศลโลกีกุศลโลกุตระยังแยกย่อยไปอีกอก็คิดว่าต้องทําความเข้าใจดีๆเราตอนนี้เราต้องทําทําให้เป็นตัวอย่างในสังคมมนุษยชาติเพราะมนุษยชาตินี่จะต้องศึกษาไปอีกเยอะ โลกทุกวันนี้ก็สนใจอันนี้มาก็ดีแล้วแต่เราต้องทำให้ได้ก่อนเรามีทุนแล้วเราเริ่มต้นแล้วเรามีแล้วว่เราจะต้องทำทั้งมนุษยชาติและสังคมแล้วก็มีการดำเนินชีวิตมีแนวคิดมีแนวเดินทางมีแนวที่จะดำเนินชีวิตอย่างที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอยู่ในโลกเลยน ะ, ะสำหรับวันนี้พอก่อน อย่ารอยุงเราอย่ามาฝันค้างเมื่อเลยมุ่งล้างต้นก่อนเธอส้นเป็นทงองสงครบนำพาย่าเพียนเพียนพอนืนหยาบคืนห ย, ย่อนเดียวเถอะปราปรดใย